ธุรกิจการงานต่างๆภายนอกบันนี้เรามาทำกิจภายในคือกิจส่วนตัวบุคคลจะทำกิจส่วนตัวได้มันก็ต้องวางกิจธุระส่วนรวมส่วนอื่นซะก่อน ไม่ต้องไปกังวลมานึกถึงตัวเองก่อนอื่นว่าตนของเรานะเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบันนี้ร่างกายเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรนี่ต้องมาคำนึงถึงตนของตนก่อน พระพุทธเจ้าทรงแสดงไวว่ะอัตตาหิอัตนโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาถังละละพติดุลละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นทีพึ่งของตนได้เมื่อตนฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วนั่นแหละถึงจะได้ทีพึ่งซึ่งหาได้ด้วยยากดังนี้ <c oughs> องค์สมเด็จพระภูมิภาเกา ทรงแสดงภาสิทธิ์นี่ไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้มาหวนคำหนึ่งถึงตนของตนให้มากเพราะว่าตนนี้ย่อมเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งนัตถิอตตะสมังเตมังความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มี <c oughs> พระองค์ทรงตัดไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่ครัง้งพุทธการนั้นนะพวกพรามทั้งหลายเขามีคติทำอยู่ในใจว่าความรักบุตรนั่นแหละยิ่งกว่าความรักอื่นใด เพราะว่าผู้มีลูกเป็นผู้ชายคนหัวปีนั่นแล้วผู้นั้นนะเมื่อตายไปก็จะไม่ได้ไปตกนรกหน่วยชื่อว่าปุตตะเขามีตำลาของเขาอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้แล้ว <c oughs> พระองค์จึงได้ทรงพาสิทธิไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิสูจน์เทียบเคียงกันดูอะไรจะเป็นความจริงเ <c oughs> มื่อพิสูจน์ดูแล้ว <c oughs> ข้อที่ว่าตนแลเป็นดีพึ่งของตนหรือว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีอันนี้นะว่ามีน้ำหนักมากกว่าก่อนที่คนเรานะ่ะจะได้ลูกได้เต้าแล้วพอตนเกิดมามารดาวิดาเลี้ยงให้เจริญไว้ใหญ่โตมาแล้ว ก็พยายามรักษาเมื่อรักษาตัวให้ดีเรียนศิลปะวิทยามีความรู้ความฉลาดในการครองเลือนอย่างนี้แล้วไปสู่ขอหญิงอื่นเขาก็จึงยินยอมมาเป็นเมีย ถ้าหากว่าคนใดอ่ะเกียรติคลานทำกลางงานอย่างหนึ่งแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนเหลวไหล <c oughs> ไม่ทำตนให้เป็นคนดีไม่มีความประพฤติดีสม่ำเสมอเช่นเป็นนักเลง เจ้าชู้บ้างเป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้คนประพฤติตนเป็นนักเลงอย่างว่านี่นะคนดีทั้งหลายเขาไม่ต้องการดู้ว่จะต้องการกันแต่คนชั่วเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนะ่ะ บุคคลผู้หวังความเจริญแก่ตนนะก็จึงรักษาตัวประพฤติตนให้เป็นคนดีแล้วก็ถึงจะได้เมียและก็ได้ลูกมาถ้าบุคคลใดไม่รักตนนหะไม่ทนุถนอมตนมันก็ไม่ได้มียไม่ได้ลูกประพฤติตนให้เป็นคนเกเรไปต่างๆนานาเนี่ยใครๆเขาก็ไม่ต้องการ คือบุคคลผู้เกียดคร้านทําการทํางานแล้วจะไปหาลูกาหาเมียอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไปหาเพราะว่ามันจะเลี่ยงเขาไปไม่ไวอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละการที่บุคคลจะเป็นผู้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางไหนก็ตามแหละก็เพราะอาศัยความรักตนนี่แหละ อยากจะให้ตนมีความสุขความเจริญด้วยลาบยศสนเสริญและความสุขกายสบายใจนั่นแหละถึงจะได้ประกอบคุณงามความดีใครอยู่ในเพศไหนภูมิไหนเช่นเป็นเพศคฤหัดก็ต้องทำตนให้เป็นคนมีศีลห้ากรรมบท10สิบ ผู้ตั้งตนอยู่ในเพศบรรพชิตก็ต้องเป็นผู้สำรวมในศีลพระปาติโมก <c oughs> ผู้เป็นสามเณรก็ต้องเป็นผู้สำรวมตนอยู่ในสิขาบทสิบ ป, ประการ <c oughs> พร้อมทั้งข้อวัดปฏิบัติสำรวมในเสกยยวัฏเจ็ดสิบห้าข้อ เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีระเบียบมีเคารพต่อระเบียบต่อวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นเคารพต่อพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพยายามทำศีลให้บริสุทธิ์พยายามบาเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้น พยายามเจริญปัญญาให้เป็นไปนี่จึงเรียกว่าผู้นั้นเคารพต่อพระธรรมจ <c oughs> ึงเชื่อว่าเป็นผู้รักตนเพราะเมื่อประพฤติตามระเบียบพระธรรมวินัยอย่างว่าเนี่ยตนก็เป็นคนดีแบบนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความชั่ว แล้วกิเลสตัณหาบาประทรรมอันหมักห ม, มมมาในจิตใจหลายชาติหลายภพนี้มันก็น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจอ่ะเพราะว่า <c oughs> คนเราเมื่อรักตนแล้วก็กลัว ด, ดูตนของตนดังที่กล่าวมาแล้วนั่นะหละว่าตนจะเป็นทุกข์ก็เพราะอะไรล่ะเพราะตนสะสมกิเลสบาประทมไว้ในใจดันั้นตนถึงได้เป็นทุกข์ เพราะอำนาจของกิเลสบาปรธรรมนั่นแหละมันบันดาลให้คนเราทำความชั่วใส่ตัวเองนี่ผู้ใดรักตนแล้วมันก็ต้องเพียรละกิเลสบาปรธรรมออกจากกายวาจาใจ <c oughs> กิเลสก็ไม่ใช่อื่นไกลคือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าว่าอีกซับหนึ่งก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะ อันนี้นิกิเลตอย่างแรงราคะความกำหนัดยินดีในกิเลสกรรมและวัตถุกรรมโทสะไร้กาศเมื่อโกรธแล้วยังไม่พอผูกโกรธไว้พยาบาทคิดจองล้างจองผานบุคคลผู้ที่ตนไม่พอใจนั้น โมหะหลงเข้าใจผิดอย่างลึกซึ่งเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีสวรรค์นิพพานไม่มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอุตตรเจ้าแล้วบรรลุถึงซึ่งความสุขต่างๆไม่มี ผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้นะชื่อว่าเป็นผู้มีความหลงอย่างแรงความโลภนั่นหมายถึงความเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นแล้วกับเป็นผู้มีความโลภในกามทั้งหลายดังกล่าวมานน่นะแต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนกับราคะ <c oughs> ความโกรธนั้นมันก็มีความโกรธเมื่อทาใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจมันก็ฉุนเฉียวขึ้นมาแต่มันไม่รุนแรงถึงกับจะลงไม้ลงมือประหัสประหารผู้อื่น <c oughs> ต่อเมื่อระ ง, งับความโกรธอันนั้นไม่ได้แล้ววันนี้ก็เอาแหละ เมื่อความโกรธนั้นมันรุนแรงขึ้นมันก็กลายเป็นความพยาบาทเป็นโทสะร้ายกาศสามารถประหาตประหารผู้อื่นได้เลยพราะฉะนั้นแหละเมื่บอบุคคลใดรักตนปรารถนาที่จะให้ตนเป็นสุขแล้วมันก็ต้องให้พี่นายเห็นโทษกิเลสเหล่านี้ แล้วเพียรพยายามลากกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากกิจใจการที่บุคคลจะมาลากกิเลสเหล่านี้ได้มันก็ต้องฝึกจิตใจในวันนี้ <c oughs> เพราะว่ากิเลสมันหมักรองอยู่ในจิตดวงนี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่น เมื่อไม่มาฝึกใจนี้ให้สงบลงไปแล้วมันจะรู้กิเลสได้ยังไงอะเมื่อฝึกใจนี้ให้สงบลงอำนาจแห่งความสงบเนี่ยมันไปกระทบกับกิเลสกิเลสมันกดดิ้นบะนี้นั่นแหละมันก็แสดงอาการต่างๆตนก็รู้บะนี้นะเนี่ยฤทธิดเดชของกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อตนน้อมจิตเข้าสู่ความสงบ กิเลสมันไม่ยอมให้สงบมันปั่นจิตให้คิดสั้นไปต่างๆนานานี่ไม่ใช่อื่นไกลแล้วฤทธิดเดชของกิเลสนั่นแหละผู้ที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวกระท้อใจผู้รู้ตัวแล้วก็อืมนี่ของเรื่องของกิเลสนี่เราไม่ต้องกลัว เรายอมพ่ายแพ้ตกกิเลสมาในมันนับชาติไม่ท้วนแล้วเหตุนั้นถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนมาจนถึงปัจจุบันนี้บัดนี้เรารู้ตัวแล้วเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของกิเลสปาประธรรมเหล่านี้ต่อไปเราจะยึดถือเอาบุญเอาคุณความดีต่างๆนี้เป็นกําลังใจ แล้วก็จะขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปจา ก, กจิตใจด้วยความเพียรด้วยความเพียรเพ่งพินิษพยายามประคองจิตนี้ไว้อย่าให้มันส่งออกไปข้างนอก <c oughs> การปล่อยจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่พยายามละกิเลสพยายามสร้างกิเลสให้เกิด ขึ้นให้มากขึ้นโดยลาดับไปขณนที่บุคคลทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ห้ามความคิดห้ามจิตคิดออกไปภายนอกพยายามห้ามจิตเสมออันนี้นหละเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้พยายามละกิเลสบาปธรรมเพราะว่าเมื่อห้าม จิตไม่ให้คิดส่งไว้ข้างนอกแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสเพิ่มเติมขึ้นอีกกิเลสอะไดที่ได้สั่งสมมาแต่ก่อนนี้แล้วก็พยายามขจัดมันเผามันทิ้งเผามันด้วยจตปาธรรมคือความเพ่งความอดทนอดกลั้นไม่ให้กิเลสมันปั่นจิตให้วันไว้ไป ต่างๆนี่นะขันติตะโปตะปะสีโนความอดทนเป็นตะปะเครื่องแผดเผากิเลสบาปธรรมให้หมดไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันสร้างความอดความทนนี่ให้เกิดมีขึ้นในใจ คนเรานี่ถ้าขาดความอดทนแล้วมันทำความดีไม่ได้นะความเกลียดคร้านมันเกิดขึ้นมาแทนแหละ <c oughs> เคยไหว้พระเคยภาวนาอยู่เป็นประจำมาอย่างเนี้ <c oughs> เมื่อขาดความอดทนเข้าไปความเกลียดคร้านเข้าไปแทน <c oughs> ก็ท้อใจแล้ววันนี้ ไม่อยากทำแล้วไม่รู้ทั่วเลยว่าความเกลียดคล้านมันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างไรพอความเกลียดคล้านครอบงำจิตใจใจก็อ่อนพับไปตามเล ย, ยเลยทำความดีอะไรไม่ได้แล้ววันนี้นี่แหละไอทำทั้งหลายเนี่ยมันมีคู่ปรับอยู่นะกับกิเลส กิเลสเนี่ยมันมีคุณธรรมเป็นคู่ปรับหมายเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่คนเราไม่ไม่สร้างคุณธรรมขึ้นในใจเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงไม่เบาบางออกไปถ้าหาว่าผู้ใดมาสร้างคุณธรรมขึ้นในใจอย่างว่านี่ล่ะมันก็เอาชนะกิเลสได้ไม่มากก็น้อยแหละอา้าวถ้ามันนึกจะเกลียดค้านขึ้นมากว่า น, นึกถึงขันติธรรมขึ้นมา อย่างนี้ต้องอดไม่อดไม่พ้นจากทุกข์นี่ต้องอดทำความดีต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วไม่พ้นจากทุกข์ก็ปลอบใจตัวเองเตือนใจตัวเองเข้าบ่อยๆอย่างนี้นี่นะี่แหละวิธีสร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นในใจิตใจ คนใดไม่รู้จักสอนตัวเองเตือนตัวเองแล้วจะไปสร้างคุณธรรมอันดีงามอะไรให้เกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้แล้วนี่ให้พึงเข้าใจหมายถึงว่าตนเองสอนตอนเองนั่นดีกว่าให้ผู้อื่นสอนผู้อื่นสอนนั้นท่านก็สอนได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาได้เมื่อไหร่ อันตนเองนั่นย่อมมีโอกาสสอนตนเองได้ทุกเมื่อเลยถ้าตนเองไม่ประมาทนะถ้าประมาทแล้วก็ยังว่านั่นแหละมันก็สอนตัวเองไม่ได้อ่จิตใจตกเป็นทา่าของกิเลสตัณหาแล้วมันก็ไม่มีอุบายอะไรที่จะมาสอนจิตสอนใจตัวเองเลยนั่นเรียกว่าความประมาทที่ว่าไม่รักตนคนเช่นนั้นนะไปรักกิเลสตัณหายิ่งกลัวตน กิเลสตัณหามันก็มีมายาสาไถ่กับจิตใจนี่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละมันมีมายาหลอกใจนี่ให้ชุ่มชื่นไปกับรสชาติของกิเลสตัณหานั้นเช่นเมื่อมันเกิดความรักขึ้นมาเนี่ยแมรู้สึกว่าใจนั้นลื่นเลิงบันเทิงมไม่เศร้าไม่โศกเลยความรักมันจับใจเข้าไปแล้ว นี่มันเป็นอย่างนี้นะคนเราเหตุที่มันจะหลงอะความรักนี่มันก็อุปมาเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นเองเนี่ยธรรมรายาพิษเมื่อเราเอาเข้าปากทียแรกอมเข้าไปนี่รู้สึกหวานฉ่ำนั่นแหละชวนให้กลืนลงในกระเพาะนนน อย่ น, นี้พอน้ำตาลละลายออกไปยาพิษละลายออกเทนี้เอาแล้วยาพิษมันทำฤทธิ์แล้ววันนี้นะบุคคลผู้นั้นก็ถ้าหากว่าไม่ถึงตายก็เรียกว่าคางเหลืองนะส่วนมากมีถึ่ตายเนะี่ยถ้าใครได้กินยาพิษลงไปแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผู้ใดตกเป็นท่าแห่งความรัก เข้าไปแล้วก็นหน้ามืดแล้วมองไม่เห็นอะไรเป็นอะไรอ่ะมันมันจะตกนรกสักกี่หลุมมันก็ยอมไปอ่ะความรักนี่มันทําให้คนเราหน้ามืดไม่รู้จักดีไม่รู้จกัจกชั่วอะไรมันจะเป็นทุกข์อย่างไรก็ยอมหมดทุกอย่างเลยเป็นอย่างนี้คนเรานะ่ะ เดี๋ยว่ามันไป็นรักสิ่งอื่นยิ่งกว่ารักตัวพูดง่ายๆ <c oughs> ถ้าบุคคลรักตนยิ่งกว่าสิ่งอื่นแล้วมันก็ต้องเรียนรู้แลสิ่งใดที่เป็นศัตรูนำทุกข์มาให้แก่ตนเมื่อตนรู้แล้วตนก็ไม่สั่งสมมันอ่ะเพราะว่ากิเลสทั้งหลายหรือความชั่วทั้งหลายมันไม่ใช่เกิดมาแต่ข้างนอก ตัวเองหากสร้างขึ้นมเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็เผาตัวเองเหมือนยังไฟนี่แหละเมื่อบุคคนเอาหญ้าแห้งมาไม้แห้งมารวมๆมมเข้าแล้วจุดเข้าไปอย่างงี้ไฟมันก็ลุกขึ้นมันก็ไม่สิ่งเหล่านั้นไปไม่มีเหลือไฟมันก็เกิดจากคนบบ น, นี้นะคนนั่นนหะ จุดเข้าไปนะ่ะมันถึงไหมถ้าคนไม่ไปจุดไม่แห้งนั้นไฟจะเกิดไม่ได้เลยออันนี้เหมือนกันเนะี่ยถ้าจิตใจนะี่ยไม่สร้างค ว, ความรักไม่สร้างความชั่งไม่สร้างความหลงให้เกิดขึ้นแล้วกิเลสเหล่า น, นี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย <c oughs> อันนี้บุคคลได้สร้างกิเลสเหล่านี้เป็น เพื่อสายสืบเนื่องกันมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นฮะไม่รู้ว่ากี่ชาติมาแล้วที่ท่องเที่ยวเกิดตายมาในสงสารนี่ก็อาศัยกิเลสเหล่านี้แหละเป็นพาหานะอืสะเสวยสุขบ้างสเสวยทุกบ้างมาในสงสารอันนี้นะนี่หละให้พึ่งพากันคิดให้ดี <c oughs> ทีนี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตื่นตัวล่ะแล้วรู้จักรักตัวเองให้เป็นบัดนี้ท่านผู้นั้นก็พยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีธรให้แก่กล้าขึ้นในตนชอบบุญชอบกุศลเขามองเห็นแล้วนีน่สิ่งอื่นที่จะมาอำนวยความสุขให้แก่ตนไม่มีเลยมีแต่บุญกุศลนี่เท่านั้น ผู้ใดมองเห็นทางแห่งความสุขด้วยการสั่งสมบุญกุศลอย่างว่านี้ด้วยตนเองแล้วผู้นะั้นมันก็ต้องมันขยันเลยทำความดีเข้าไปมันก็เกลียดต่อความชั่วแหละเมื่อมันชอบความดีแล้วคนเรานะถ้าไปชอบกับความชั่วแล้วมันก็ต้องเกลียดความดีกลวงกันข้ามอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ ควรพาการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจวิถีชีวิตของตนให้ถูกต้องตามทํามนองครองธรรมคำสอนของพุทธเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรารักตนเองยิ่งกว่ารักสิ่งอื่นนี่ธรรมบรรยาตที่แสดงในวันนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อตนหาว่าตนเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งเนี่ยตนก็ต้องดำริสี่ว่าทําอย่างไรตนถึงจะพ้นจากทุกข์ทาอย่างไรตนจึงเป็นทุกข์นี่ต้องให้รู้ทั้งสองหน้าอถ้าไม่รู้สองหน้าอย่างเนี้มันมันมันไม่เบื่อทุกข์นั่นนี่เมื่อพิจรารณาดูแล้ว โอ้ตนไปยึดถืออย่างนั้นอย่างนั้นตนถึงเป็นทุกข์ตนไปยึดถือเอาทางแห่งความชั่วไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มาเป็นอารมณ์เหตุนั้นตนถึงได้เป็นทุกข์นี่ก็มันก็รู้สิปานี้เมื่อมันรู้อย่างนั้นมันก็ละเหตุอันนั้นแล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นไว้ในใจ ทำองไรตนยังเป็นสุขก็ต้องพิสูจน์พิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรอะ่ะนั่นแหละแต่คำสอนของพวกองค์มีมากมายอะ่ะแต่สรุปลงแล้วก็มาชำระจิตดวงนี้ น, นี่นั่นแหละเพราะว่าจิตดวงนี้ เมื่อหาว็มันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเดิตต่างๆแล้วมันก็เป็นทุกข์กลวงกงันข้ามถ้ามาชาระขับไล่อุปกิเลิตบาปประธรรมต่างๆออกจากจิตดวงนี้แล้วจิตดวงนี้มันก็สงบไม่เดือดร้อนสว่างแล้วก็สบายอมันก็อิม่มไม่ดิ้นรนทะเยอทยานเนี่ยลักษณะของความสุขของดวงจิต ที่แท้จริงนี่นะเดี๋ยวว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นความสุขจอมปลอมอะความสุขจอมปลอมนั่นความสุขอาศัยวัตถุภายนอกอาศัยเงินทองเข้าของอาศัยลาบยศสรรเสริญเยินยอต่างๆก็เมื่อสิ่งเหล่านั้น <c oughs> <c oughs> วิบัติแปลปวนไปแล้วความสุขเหล่านั้นก็หายไปตามกันนั่นแหละท่านยิงเรียกว่าความสุขจอมปลอมอะ่ะการมาชําระจิตใจให้พองใสสะอาดปราศจากกิเลสบาปรธรรมนี่อันนี้เป็นความสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดจิตนี้นะเมื่อกิเลสบาปรธรรมมันระงับออกไปแล้วมันทักตั้งมั่นลงด้วยตนเองเลยแบบนี้ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นแล้วะ่ะ มันตั้งมั่นลงเองแหละไม่มันอิ่มมันอยู่ตัวเลยอืมอันที่มันหิวอยนั้นพระกิเลสมันยอมเอาเรื่องมันนะตัณหามันย้อมจิตให้เกิดความอยากความหิวไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นนะอนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเพียนพยายาม ชำระจิตใจอันนี้ให้มันบริสุทธิ์ฟุดผ่องไปเอาทานมาชำระความโลภออกไปจากดวงจิตนีเอาศีลมาชำระความโกรธความพยาบาทต่างๆหรือว่าเอาเมตตาธรรมกรุณาธรรมผสมกับศีลด้วยมาชำระจิตดวงนี้ให้ ปราศจากความโกรธความพยายาทต่างๆเอาภาวนาเอาสติสัมปชัญญะมาชำระจิตใจอันนี้ <c oughs> ให้บริสุทธิ์จากความหลงความไม่รู้ตัวสร้างสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็รู้ตัวได้แล้วนี้ พอรู้ตัวได้ความหลงมันก็หายรู้ตัวได้ก็คือรู้ว่าจิตของตนนี่มันสงบอยู่มันตั้งมั่นอยู่แล้วก็จิตนี้ก็มีปัญญาเห็นแจ้งในขันหานี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรแต่ก่อนเราถือว่าเป็นของเรานั่นเรียกว่ามันหลงโย่บั น, นี้พอมันรู้ชัดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ของเราเสีแล้ว มันก็ปล่อยก็วางขันห้านี่ได้เมื่อมันรู้ตัวอย่างนี้แล้วนะนั่นแหละท่านจึงว่าไอความหลงเนี่ยไม่ไม่มีอย่างอื่นที่จะกำจัดมันได้มีภาวนานี่แหลยภาวนาคือทวนกระแสะจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ยาส่งกระแสะจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ภายนอก ถ้าส่งกระแสจิตนี้ให้ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกเราก็ลืมตัวแหละไม่รู้ตัวเลยว่าจิตใจข้างตนมัวหมองอยู่อย่างไรจิตใจของตอนยึดเอาบาปเอาความชั่วไว้อย่างไรก็ไม่รู้เลยไม่สามารถจะลักความชั่วเหล่านั้นได้เพราะไม่รู้นี่เมื่อทวนกระแสเข้ามารวมกําลังกันอยู่ภายในนี้แล้วอืกําลังศีลก็มีกําลังสมาธิก็มีกําลังปัญญาก็มี อย่างนี้แล้วมันก็สามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปได้อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้รักตนคนเรานะ่ะเมื่อรักตนแล้วก็เพียรพยายามชําระจิตใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางไปถึงแม้ว่าเรายังจะละให้ขาดหมดไม่ได้ก็พยายาม ละมันไปทีละเล็กทีละน้อย